เช้าๆอย่างนี้ก็คาดว่าภิสุสัมมณ น, นแมชีตื่นได้แล้วคนดี้ง่วงอย่าได้เพลินตามความรู้สึกของตัวเองวันคืน จึมีคุณค่ามากอย่าฆ่าตัวเองอย่าให้กิเลสมันมาฆ่าและครอบงำเราได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมองลึกเข้าไปในใจว่าชาาอย่างนี้ การนอนหลับเมื่อเรามีความพักผ่อนมีการพักผ่อนเพื่อให้เรานั้นได้พักกิริยาของความเป็นสัตว์ความเป็นเป็ตความเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ในจิตใ้สำนึกของเราทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ตลอดเวลาที่เรามานั้นได้ห้าวันแล้วสองวันแรกเราก็เสียเวลาไปกับธรรมชาติ กับ น, น้ำฝนตรงต่อโู่กับการวาวุ่นของการกินการนอนการทำภารกิจของพระพิสุสงฆ์ที่จะต้องทำห้องน้ำตั้งที่พักอยู่อาศัยจะต้องสร้างโรงเรือน โรงอาหารต้องสร้างทางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องปัจจัยที่ก่อเกื้อหนุนกับนักปฏิบัติทั้งหลายระยะยาวนานมากที่ไปสวงบุญ หลวงพ่อพยายามพาพระคุณเจ้าพาแม่ชีพาโรคสิษิ์ลูกหานั้นไปสร้างกุศลถึงได้ก้าววัดกว่าจะครบก้าววัเดเนี่ยหลวงพ่อจะต้องดำเนินความคิดความนึกตรึกตรองว่าจะสร้างอะไรจะทำอะไร ให้เป็นเป็นบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเริ่มแรกเราก็สร้างป่าผักในบนเขานี้โซกับความร้อนความเหนื่อยกว่าจะได้ผักได้ผลกว่าจะได้เรียนรู้ธรรมชาติกว่าจะได้เรียนรู้ว่า จะได้มกักกว่าจะได้ผลกาจะได้พักพืชแต่ละชนิดผักแต่ละอย่างร้วนมีการเวลามีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันวัดแต่ละวัดก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันเมื่อเราได้เข้าไปสัมผัส แต่ละหมู่บ้านก็มีความต้องการไม่เหมือนกันสรุปง่ายๆคนที่เกิดมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ละกลุ่มย่อมมีอุปนิสัยสันดานนั้นที่คล้ายๆและก็เหมือนกันมีความต้องการเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้น เมื่เราได้ปลูกผักคอยน้ำคอยแดดคอยผลมันกว่าจะได้ต้นมาเนี่ยก็ต้องไปไฟฟ้าหาเมล็ดหาพันธุ์มาก็จะต้องจัดแจงเนื้อที่ก็จะต้องดูรักดูเหตุดูผลว่าผักชนิดนี้ มันให้ผลเช่นไรมันต้องการแบบไห น, นตัดต้นไม้มาเป็นกอกอลากต้นไม้กันมาเป็นเดือนเดือนเพราะคุณเจ้าที่ทำยอมรู้เหมือนเราอยากรู้เราก็ต้องทำาไฟฟ้าหา ชีวิตเราก็สันใดก็ฉันนั่นอยากเรียนรู้เราจะต้องไปเรียนก่อนเรียนก็หมายถึงว่าเราจะต้องไปแสวงหาผู้รู้ก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขารู้เราจะรู้ได้ยังไงว่า ใช้เวลาเท่าไหร่มันต้องการเนื้อดินเถานี่มันจะยาวเท่าไหร่ลูกและดอกนี่มันจะออกต้นไหนมันต้องการน้ำหนึ่งต้นเนี่ยมันจะต้องการน้ําเท่าไหร่มันจะต้องอาศัยอาหารจากอะไรบ้างธาตุอะไรบ้าง ฟักทองยังมีผิวพันธุ์ไม่เหมือนกันปลูกเล็กปลูกใหญ่ก็ไม่เหมือนกันเอาฟักทองแรงไปปลูกหน้าฝนก็ไม่งอกงามเอาฟักทองหน้าฝนนั่นไปปลูกหน้าแรงมันก็ไม่ส่งดอกออกผลตามที่เราต้องการ ฉันใดก็ฉันนั้นพระพิสุสัมมณี น, น้องปลูกให้ถูกทีแม่จีต้องทำให้ถูกหน้าทีต้องทำให้เหมือนกันแล้วต้องดูระยะดูเวลาคุณโยมก็เช่นเดียวกันการนำหลงชีวิตการใช้ชีวิต สรุปง่ายๆทุกคนมีความต้องการให้ส่งดอกออกผลแต่ไม่ค่อยเตรียมที่ไม่ได้เตรียมทางเมือนลุงพ่อได้เตรียมที่เตรียมสถานที่เรามาถึงก็นั่งชุกนั่งชุกเราก็มาถึงก็เปิดพิษณานกัดกินกินเสร็จก็ทายหนักทายเบา ทำถนนจนรอบไปหมดสู่น้ำสู้กับพายุถ้าเราย่อท้อจะเอาแต่อีตอนที่มันแรงๆเพราะอยาอยากนั่งให้สบายอยากนอนอย่างสบายทุกคนก็ขนอุปกรณ์ของตัวเองมา มาจับจองทุกคนก็บางคนก็มักง่ายไม่ไฝ่้าแล้วมาถึงกับเต้นวางฟุ๊บจอดได้โป้ได้นอนตรงนี้แหละกูจะเกะกะไม่เกะกะกูจะฟังใครไม่ฟังกูจะกินละตักอาหารการกินเยอะแยะไปหมด เลือก็เอาไปทิ้งเต็มหมดหมูหมาก็มาได้กินคนอื่นก็ไม่ได้นั่งพิดจารณาไปหมดว่าโ อ, โนโอ๋นาองค์สมมาสมุททเจ้าคงเหนื่อยยากไม่ใช่น้อยที่เป่าประกาศพระศาสนากว่าจะได้สาวกแต ร, ระองค์แตลที่ ก็เหมือนเราเลี้ยงลูกพยายามปูุกฝังแต่สิ่งที่ดีๆเมปมาเร็ดโพเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแต่มันขึ้นน้อยมากมันต้องอาศัยนกนำพาวาเ ร, ร็ดโพเนี่ยมันต้องอาศัยน้ำย่อยของนกแสดงว่าโพเนี่ยมันเยอะมาก มันออกลูกออกดอกต้นงอกงามไวมากที่เขานิยมปลูกตามวัดกับในขณะที่โพออกเนี่ยก็มีนกหนูกาไก่กไมแมลงสารพัดเลยมากินกันลู้พ่อก็มาเปรียบวบ่าเออนคนที่ปลูกเนี่ย มันก็ต้องอาศัยมเมล็ดอาศัยการเวลาอาศัยธรรมชาติที่พึ่งพากันเหมือนน้ํำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าเม็ดโพนี่มันก็ต้องอาศัยนกกืนกินเข้าไปแล้วก็ต้องอาศัยน้ําย่อยที่นกมันย่อยไปที่ย่อยสลาย จนไม่เป็นมเมล็ดพันธุ์ได้ก็หมดไปต้นโพนี่มีไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้านเม็ดแต่ละต้นออกตั้งแต่โคนกิ่งจนถึงปลายกิ่งหักลูแต่ไปหมดทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็เป็นนกกลางคืนก็เป็นข้างข่าว เข้าไปตัวหนึ่งก็พยายามกินเข้าไปให้อิ่มให้มากที่สุดแล้วก็เอาไปป้อนรูปมันอีกเอาไปเลี้ยงรูปมันก็เลี้ยงตัวเองด้วยนกนี่มันไม่มีนมเหมือนมนุษย์เหมือนช้างเหมือนวัวเหมือนฝ่ายเหมือนม้าที่มันดูดนมจากท้องแม่มัน ในเวลาป้อนลูกเนี่ยมันจะต้องอ้าปากให้ลูกมันเนี่ยเอาปากเนี่ยสอดเข้าไปในปากมันแล้วมันก็สำลอกออกมาสำลอกอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปเนี่ยให้ลูกเนี่ยโดดกินเข้าไปในลําคอในปากมันแม่ก็พยายามอ้วกออกมาขาย้อนออกมา จนขอบปากนี่ยเป็นแผลเต็ไมไปหมดหลวงพ่อได้เห็นนกที่มันเลี้ยงลูกมันถ้ายิ่งเราไปแอบดูมันมันเห็นว่าเราไปดูลูกมันเพราะลูกมันไม่มีการต่อสู้บินหนีศัตรูได้สองตัวแม่ลูกเนี่ยพอ่อพ่อและแม่เนี่ย พยายามไปหาอาหารมาผัดกันป้อนทั้งวี่ทั้งวันสงสารไอ้นกกระจีนะนกกระจีตัวเล็กๆมันยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่ลูกมันยิ่งดอกมากเท่านั้นเออแปลกต้นโพลูกดอกเท่าไหร่มักจะขึ้นน้อยน้อยมาก คนที่มันยากจนอยู่แล้วทำไมมันมีรูปมีผัวง่ายนักบางคนมีตั้งสีผัวห้าผัวหน้าตาก็ไม่ดีตัวเองก็ยากจนคนแค้นความรู้ก็ไม่มีเงินทองแก้วแหวนก็ไม่ลารวยรวยแต่ผัวรวยแต่เมีย ร่ำรวยแต่ลูกหลานเยอะไปหมดบ้านก็ไม่มีที่จะสุกหัวนอนเพราะลูกเยอะหลานเยอะปู่ย่าตายายก็ต้องไปต่อไปเติมแย่งกันกินแย่งกันนอนไอเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินแค่แหวนเงินทองอาหารบ้านนี่เป็นใหญ่โตมาก อยู่กันคนสองคนเท่านั้นเดินวันเท่าแต่ไม่ไม่หมดเลยบ้านมันใหญ่มากไหนจะเป็นห้องเก็บทรัพย์สมบัติหนจะเป็นห้องคนใช้เรือนคนใช้โรงจอดรถเนี่ยมันใหญ่กว่าบ้านคนจนอีกบริเวณบ้านเนี่ยมันกว้างใหญ่กับที่ไร่ที่นาของคนจนอีก เออมันก็แปลกนักปฏิบัติทั้งหลายพยายามมองคิดนึกรตรรองเข้าไปในใจอะไรแล้วมันจะยิ่งใหญ่อะไรจะมันกว้างไกลอะไรจะมันจะเป็นของเราเป็นไปไม่ได้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันก็คือเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นภาพเลย ว่าโอ๋เนาไอ้นอกกระจีมันตัวเท่านีป้ป่อที่เราปล่อยนอกก็นอยู่เป็นประจำมันออกไข่เนี่ยตั้งแปดเก้าใบไม่ต่ำกว่าหกตัวลูกมันพ่อแม่มันตัวเท่านีป้ป้อมือมันผัดกันฟักเชา้าฟักเย็นตกเมียจะฟักตอนเชา้า ตัวผู้จะฟักตั้งแต่บ่ายไปถึงเย็นหลวงพ่อได้สังเกตรธรรมชาตินกตัวเล็กสุดกับนกตัวใหญ่นกอินทรีเนี่ยนกเหยี่ยวใหญ่ที่มันกินนกกระจีเนี่ยมันมีไข่สามฟองแต่มันจะมีอยู่ฟองหนึ่งที่มันไม่มีเชือ้อ ถ้ามันมีสองตัวมันออกมาสองตัวไอ้ตัวใหญ่ออกก่อนไอ้ตัวเล็กมันก็ออกตามมาไอ้ตัวใหญ่มันก็พยายามถีบไอ้ตัวเล็กให้ตกจากหลังเพื่อมันจะอยู่ของมันตัวเดียวไม่เหมือนไอ้นกตัวเล็กอยู่กันเต็มเลยหัวจีมเลย ไอ้นกตัวใหญ่เนี่ยมันเอากิ่งไมใ้ใหญ่ๆมาพาดศกะปกโสโ ค, โคเหี่ยวอินซีแต่เราในอยากเป็นพญาเหี่ยวอยากเป็นพญาเหี่ยวพญาอินซีสั ญ, ญลักษณ์ประเทศไทยกับสัญลักษณ์ญญช้างะ ตัวใหญ่เรกว่าช้างเผือกมีมูลค่ามากประเทศอเมริกาก็พยายอินซรีเหล็กเข้ ม, มเยอรมันก็สิงโตเพราะนั้นหลวงพ่อไดพิดจารณาหาเหตุหาผลว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยมันเอากิ่งไมใ้ใหญ่ๆทำ ทำลังหยากมากทำลังแบบไม่สวยเลยไอ้ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยมันพยายามสารลังเห็นนกกระจาบไหมมันห้อยลังไว้ที่ต้นไม้เนี่ยสวยมันพยายามไปฉีกขอบใบไม้ะนะใบมะพร้าวบางใบตาลบางเอามาจักเอามาสารเอามาห่อหุ้ม ตัวเล็กกับทำให้ละเอียดทำที่อยู่อาศัยละเอียดละอ่อแต่มีลูกมากตัวเองก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนพยายามเลี้ยงลูกมากลักเกินก็เรียกว่าบุญน้อยกรรมหนักกรรมของคนเราเนี่ยมันหนักหนาตั้งแต่เกิดมา ที่เป็นชนิดเล็กชนิดใหญ่เขาเรียกว่าสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กสัตว์เล็กจะกินสัตว์ใหญ่ก็ปากฉีกท้องแตกตายค่อยๆ ค, ค, คิดตามหลวงพ่อไปี่กำลังสอนเรื่องปัญญาให้มองเห็นว่าสิ่งเล็กๆในน้อยนี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่ ในสิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เป็นเรื่องเล็กถ้าคนมีปัญญาฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายทำไมเรากินวัวกินควายใช้มาใช้ช้างได้เราเป็นมนุษย์ตัวเท่าเนี้ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ ต้องมีความเข้าใจต้องมีวิบากซึ่งกันและกันควายก็มีกรรมกับชาวนาชาวไร่ช้างก็มีกรรมกับฟานช้างจะต้องลากสูงตัดไม้คนตัดไม้ก็ต้องเลื่อยไม้มีกรรมกับเลื่อยกับไม้ฉันใดก็ฉันนั้น ผู้หญิงย่อมมีกรรมกับผู้ชายผู้ชายก็ย่อมมีกรรมกับผู้หญิงแต่เวลามีครอบครัวครอบครัวก็อยากได้ลูกหญิงลูกชายก็ต้องมีกรรมทั้งหญิงและชายลองนึกภาพไปเรื่อยๆเราอาจคิดไม่ทันเอ๊หลวพ่อทําไมพูดแบบนี้ ความจริงเขาต้องเทศให้มันภัยราอทำไมหลวงพ่อต้องพูดถึงโพนี่มันมีรูปเยอะมีผลนี่เยอะมากเลยแต่มันขึ้นด้วยตัวมันเองไม่ได้ต้นโพนี่มันขึ้นงามมากมันขึ้นตรงไหนมันก็ขึ้นได้มันชอบไปขึ้นตามหลืบตามหุบตามเขา ตามป่าตามเขาเพราะอะไรนกที่มันอยู่ป่าเขาเนี่ยมันก็อาศัยลูกโพลูกใส่ไอ้นกที่มันอยู่วัดอยู่วาเนี่คือนกพิราบเนี่ยมันไม่กินโพกินใสนกพิราบเนี่ยมันกินพืชแต่นกเอียงข้างเขานกที่กินผลไม้มันก็แยกชนิดกัน บางอย่างก็หากินกลางคืนบางอย่างก็หากินกลางวันแต่มนุษย์เนี่ยไม่ลุกกลางวันกลางคืนหากินทั้งวันทั้งคืนมันแย่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกวันคื น, นที่เราอยู่บ้านเราอยู่กับครอบครัวเราเนี่ยลองถามตัวเองที่มันมีวันเวลาหยุดบ้างหรือเปล่า ตัวอย่างความคิดการปรุงแต่งเนี่ยคนที่มีครอบครัวเนี่ยเมียก็นึกคิดถึงผัวว่าโอ้นาะเขาจะรักเราไหมเนาะผัวเราเนี่ยทำไมไม่เหมือนผัวคนอื่นสามีคนอื่นทําไมก็รักภรรยารักครอบครัวลักเกินทําไมสามีเราจจึงมึนเมา แสดงกิริยามารยาทไม่เคยใช้วาจาไปลอกกันเราเลยแต่เราไม่เคยถามตัวเองว่าโอ๋เนาเราคงมีวิบากกรรมอะไรเนาะเรารักสามีภรรยาสามีภรรยาก็ทำไมไม่พูดดีกับเราเลยสักกังเกงนอกกังเกงในหาข้าวหาปลา ถุงนองรองเท้าเตรียมให้ทุกอย่างบ้านเรือนก็เก็บกวาดภาชนะอาหารก็ทำอย่างปานีตทำไมไม่ค่อยกินของเราทำไมไม่เห็นความรักความเมตตาอบอ้อมอารีที่เราพึงปฏิบัติต่อสามีและภรรยาก็เป็นทุกข์อย่างแสนสาหัส ก็พยายามมองบ้านอื่นโอ้โหนบ้านก็าใกล้ชิดติดกันแถมเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันทําไมมีประพฤติกรรมที่ต่างกันล้าครับหน้ามือเป็นหลังมือความจริงพี่เคยบางทีกด็ดีดีไอ้น้องสัพ้ายบางทีกด็ดีดีแต่ทําไมเราเนี่ย เรียนก็เรียนดีมากกว่าทรัพย์สมบัติก็เยอะกว่าอะไรก็ทําทุกอย่างทําไมเรามีภรรยาสามีไม่เหมือนเขาไม่ชื่นชมไม่รักไม่ปฏิบัติเราเหมือนสามีภรรยาคนอื่นเขาเอ๊ะทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ค่อยๆ ค, คิดมองเข้าไปที่ใจ มองเข้าไปเจอไปที่ตัวตนของตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยดื้อดึงกับพ่อกับแม่เถียงพ่อเถียงแม่พ่อบอกซ้ายมันไปฝาแม่บอกฝาเราก็ไปซ้ายเราในกอบโกยอยากได้ของพ่อของแม่รูปมันก็อยากได้แต่ของเรา ไม่เห็นอยากได้ของคนอื่นบ้างพ่อแม่ในรักเรารักวันอย่างค่ําคืนอย่างรุ่งนะเขาบอกทําไมรักตั้งแต่วันอย่างค่ําตั้งแต่กลางวันยันค่ําคืนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่ห่างเราเลยเราก็ไม่อยากห่างสามีภรรยาไม่ไม่อยากพัดพลากกัน สามีทําไมมันไม่อยากอยู่กับเราภรรยามันทําไมไม่อยากอยู่กับเราเออเพราะเราเนี่ยไม่เห็นความสําคัญของพ่อและแม่พ่อแม่ทั้งกอดทั้งหอมสามีมันมีความกําหนัดทีหนึ่งมันก็ทํากล้ามากอดมาหอมมาขอร่วมเพศเสร็จแล้วมันก็ เหมือนมันไม่รักไม่กอดไม่หอมเราต่อเนื่องไม่ทนุถนอมจิตใจเราเราลองมาพิจรารณาสิว่าโอ้ no หาว่าเราทำกรรมอย่างนั้นทำกรรมอย่างนี้ทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นเรามาลองพิจรารณาสิว่าเราไม่เคยกอดพ่อกอดแม่ ไม่เคยทะนุถนอมน้ำจิตน้ำใจของพ่อของแม่บังคับจิตใจของพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยหาตั้งแต่เช้าบอกค่าก็ทาอาหารให้ลูกเนี่ยลูกก็ไม่อยากกินอยากจะไปออาตังเอาปัจจัยไปกินอาหารดีๆไปกินเหล้าเมายาไปกอหกแต่งตัวสวยแต่งตัวหรอ พ่อแม่ก็หวห่หวงใหญ่เราก็าไปผู้หญิงก็ไปแต่งตัวสวยเพื่อจะไปรอผู้ชายเอามาเป็นคนรักผู้ชายก็ทำตัวรอใส่เสื้อผ้าดีๆขับรถดีๆมีแก้วแหวนเงินทองโชว์สวยเลยแต่ตัวเองไม่ได้หามาได้ด้วยตัวเองเลยเอามาจากพ่อจากแม่ ผู้หญิงก็เอามาจากพ่อจากแม่เอามาตัดผมตัดเสื้อผ้ า, ามาขัดสีเฉวีวันเร็ยบมือเร็บตีนไม่เคยตัดให้พ่อให้แม่ก็ไปจ้างก็ตัดที่ร้านก็เสียเงินเสียทองเป็นเงินเงินทองทองของพ่อแม่จากหยาดเหงื่อแรงกายของปู่ย่าตาตวดของวงตระกูลที่ยกให้กันมาเป็นตทอดเรียกว่ามรดกตกทอดนะ มันก็เลยตกกับชีวิตเราถูกกิเลตตันหามันทอดมันหลอกลวงผู้ชายก็ทอดสะพานให้กับหญิงผู้หญิงก็ทอดสะพานให้กับผู้ชายเอื้ออํานวยสะดวกความสะดวกให้ว่าการมมาราคะก็คือกิเลสกิเลสนี่มันทําให้เราเศร้าหมอง คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ห่วงใยเกิดความเศร้าหมองทางใจถ้ามีลูกสาวก็โอ้เราจะได้ลูกเราจะไปประพฤติไม่ดีไหมนอ้อลูกเราจะไปเหมือนกับคนที่เขาลือเขาลั่นเขาพูดกันไหมนอ้อผู้ชายก็เหมือนกันลูกเราจะไปเกเรติดยาเสพติดเป็นผู้ชาย ร่างกายแข็งแรงจะได้บวชไม่นอกจะได้ช่วยครอบครัวไหมให้เรียนรู้มีการศึกษาสารพัด ส, ส่งให้ไปเรียนกับคนอื่นสอนตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ตั้งแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกก็คือเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปรุงแต่งให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทําแม่เนี่เหมือนขี้ข่าขี้คอกก็คือเหมือนวัวเหมือนควายที่เราใช้มันนั่นแหละรูปก็ไม่เห็นคุณค่าค่าเวลาของพ่อแม่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เหมือนกับเรานี่เองมองเห็นหน้าที่ของพระไม่มีคุณค่าของความเป็นพระ เห็นศินความสำรวมทางกายวาจาใจเรียกว่าศินก็ไม่รักษาศินไม่รักษาเวลาไม่รักษาผ้าคองตอนที่เราคองชีวิตคองตัวครองใจที่เป็นคารวะเนี่ยมันอยู่ในกิเลสวนว้ายเวียนวอกวนทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ไม่เคยให้อะไรไม่เคยช่วยอะไรแม้นตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้จะมารักษาศินก็รักขโมยทำไมว่ารักขโมยรักขโมยที่ทำให้ผิดสินนะรักขโมยการเวลาขโมยอาหารขโมยทรัพย์ของญาติโยม เช้ามาเนี่ยเหมือนขอโมยเนะี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปบินธบาตทิทำอย่างไรที่จะให้คุณโยมเนี่ยได้บุญจากความบริสุทธิ์ทางใจของเราเนี่ยทำอย่างไรเราจะได้หลุดพ้นจากอาวสิเลกิเลธทำอย่างไรเราจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเราได้กับหมู่คณะ กับพระพุทธศาสนากับบริวารทุกคนอยากได้บุญบรารมีอยากมีบุญบรารมีอยากมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่เห็นขโมยการเวลาของพ่อแม่ขโมยข้าวขโมยของของพ่อแม่ลักทรัพย์ของพ่อแม่ ไม่รักพ่อแม่เกียดพ่อแม่โกรธพ่อแม่โกงที่โกงทางของพ่อของแม่ทะเลาะกับพี่ป้านะอาโกรธพี่โกรธน้องมันหนักยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานกันไปอีกผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองคิดสิว่านี่หรือคือสัตว์ประเสริฐ สัตว์ประเสริฐที่พวกเป็นมนุษย์สมบัติรู้ผิดถูกชั่วดีถ้าเราไม่มีใครมาขัดเกลาเราไม่มีองค์สมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายสอนอบรมเรียนรู้จากองค์สมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงครูบาอาจารย์ตกรลนมาจนถึงสาวกที่เป็นปัจจุบันฉะนไหนจะได้เจอเจอพระ จะได้เ จ, เจอผู้มีภูมิปัญญาที่จะรักษาสินที่บริสุทธิ์รักษากายวาจาใจให้ถึงพร้อมแห่งคุณงามความดีทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อตัวเองทางนั้นกว่าเราจะได้มาเจอพระสักองค์หนึ่งที่สอนนำเราเนี่ยให้เรียนรู้ทั้งธรรมชาติ เรียนรู้การอยู่การกินเรียนรู้และรู้เท่าทันกิเดชให้เราละเลิกสิ่งมัวหมองเสียให้คิดผิดเป็นคิดถูกคิดชั่วให้เป็นคิดดีไปกอบโกยเอาเงินเอาทองไปให้พระไปสร้างแต่วัดเพื่อจะได้สะสมบุญบรารมี ไม่เคี้ยวอาหารหรือจะกลืนได้ถ้าอาหารมันหยาบมีใครเคี้ยวน้ำบ้างนอกจากทำให้มันแข็งกลืนไม่ได้จึงได้เคี้ยวมีใครบ้างเอาข้าวหยอดจมูกให้มันต้องใบบดให้ละเอียดเป็นอาหารหมอเท่านั้นที่จะบดข้าวจมูกกับคนป่วยที่มันเคี้ยวไม่ได้ กัดกินกืนไม่ได้ชีวิตก็เส้นเดียวกันนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเราบริโภคตั้งแต่ครั้งปู่ญาตาโทษกินหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลากินวัวกินควายกินแรลงยาดเหงื่อของช้างมาหวาวยไว้เมื่อเรากินข้าวก็ต้องกินยาิเหงื่อของแรงกาย ของชาวไร่ชาวนาเราอยากกินอาหารกินเนื้อสัตว์ก็ต้องกินแรงของในพานชั้นใดชั้นนั้นต้นไม้บางอย่างก็ต้องอาศัยธรรมชาติก็คือนกสัตว์ปีกบางอย่างก็ต้องอาศัยมดอาศัยปลวกช่วยย่อยสลายอย่างที่ใบไม้ดอกไม้ ร่วงมาที่พื้นดินก่อนเห็นก็แตกลนจากเป็นภูเขาก็แตกลนไปโดยการเวลาเป็นกวดเป็นทรายผสมกับเนื้อดินเนื้อใบ ไ, ไม้สะสมกับสากพืชสากสัตว์ทำให้เป็นดินให้เกิดมีรู้สึกว่ามีสารอาหาร แธาตุต่างๆเราก็กินซากพืชซากสัตว์เราอาศัยพืชอาศัยสัตว์เนี่ยมันก็จเจริญเตบโตมาจากซากพืชซากสัตว์องค์สมมาสมพุทตาจ่าจึงบอกวันเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเป็นหลังของโลกมันเหมือนซากพืชซากสัตว์ทำไมเราต้องยินดีพอใจ เราต้องกันแก่นไม่ใช่เหรอคือคือความจริงความจริงก็คือความจริงเรียกว่าสัจจะคือความจริงเรามองแต่กระพี้คือมองเห็นแต่เปลือกเริมตามาก็เห็นดอกเห็นผลเห็นใบแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปกว่าที่เราจะสร้างเต็น์ปรับผืนดินทำห้องน้ำทำทาง ทำที่ให้พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ต้องอาศัยพระอาศัยเนนอาศัยแม่ชีจะทําให้ไปถึงไหนจะทํารสชาติอาหารคาวหวานรสเด็ดถึงไหนถึงจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจญ า, าติโยมให้กลับกลายเป็ น, เ ป, นเป็นคนดีให้รู้คุณค่า อย่าให้การเวลามันฆ่าเราอย่าให้อะไรที่มันเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์สมบัติมันครอบงำด้วยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปการเวลาเราก็จะหมดไปหมดไปเหมือนเราใช้ธรรมชาติเอากวดหินดินทรายเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาอุปโภค เอามาอุปมาอุปมายมมาเป็นของตัวเองภูเขาเหล่ากาที่ดินก็เอามาเป็นชนโนดเอามาเป็นของตัวเองธรรมชาติมันเกิดต้นไม้ต้นไหล็กก็ไปตัดเอามาทำบ้านหินก็เอามาเรื่อยมาเป็นหินอ่อนเนอทองคำก็ไปขุดมาน้ำมันก็ขุดขุดค้นหาแสวงหาเอามาใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เป็นผู้ทำลายไม่ได้เป็นผูส้สร้างกระทากับชีวิตเราเกิดมาเนี่ยให้กิเลสมันทำลายเพราะความสมมุติเราเกิดมาเนี่ ย, ม, ย, ม, ม, ม, ม, ยมีความสมมุติปรุงแต่งความโกรธความรักความยินดีความพอใจความเสียใจหดหู่ใจมีโรงเรียนที่ไหนบ้าง ที่มาสอนให้เราร้องไห้เสียใจมีโรงเรียนอะไรบ้างที่สอนให้เราผิดหวังมีโรงเรียนไหนสอนให้เราเสพกันให้หญิงชายได้เสียกันมีพ่อแม่คนไหนบ้างที่สอนให้ลูกเป็นโจรเป็นคนชั่วไม่มีสถาบันไหนเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยล้วนแต่โลกเป็นผู้ให้ กรรมเป็นเครื่องปุงแต่งชี้แนะชี้นำชักจูงไปสู่สภาวะของกรรมแต่และบุคคลเรียกว่าบุพกรรมบุพกรรมก็แปลว่าต้องเจอะเจอเราทำและสร้างบุพกรรมไว้กับพ่อแม่ก็เป็นมรดกตกทอดมาตกลงมาตกจากความเป็นพ่อแม่ก็มาเป็นตกมาเป็นปูย่ย่า ตาทวดถ้าอยู่นานหน่อยก็เป็นชวด ค, คนที่เคยเป็นรูปก็ตกลงมาเป็นพ่อแม่กรรมมันตกมาตกแต่งไงตกแต่งตกจากคนเป็นหนุ่มเป็นคนที่อยู่คนเดียวก็ตกลงไปบุพกรรมต้องเจอเจอผู้หญิงผู้ชายออกมาตกแต่งเป็นสามีภรรยาตกลงไปอีกต่าลงไปอีก อยู่คนเดียวก็ลำบากกายลำบากใจแล้วทาให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจจนแก่เท่าแล้วก็มาเป็นพ่อแม่แทนพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกไปเป็นปู่ย่าตายายตกแต่งไปตัวเองก็หากินไม่พอปากพอท้องก็ดันมาเสพกันจนมีรูปมีเต้าอาหารที่จะตกถึงท้องเนี่ยก็ตกดนแย่งไป ไปเป็นของลูกถองเป็นตระกูลผัวตระกูลเมียก็ชิงแย่งทรัพสมบัติสา ม, มีก็อยากมีภรรยาที่มีเงินมีทองสมัยนี้ภรรยาก็เช่นเดียวกันอยากได้ผู้ชายที่ร่ำรวยไม่คิดจะสแสวงหาด้วยตัวตนของตัวเองตกล่นไปเป็นขี้ค่าให้เขาขี่ทุกวัน ไปรับใช้แม่ยายพ่อตาพ่อตัวเองแม่ตัวเองก็ไม่ได้ดูแลลูกชายก็ไปเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อตาแม่ยายเลี้ยงลูกไม่มีโอกาสได้มาเลี้ยวแลพ่อแม่ตกต่ำลงไปเรื่อยคนที่ขึ้นต้นไม้มันตกลงมาเนี่ยแม่ไม่ตายก็หักเป็นซี่เลยหักหมดชอกช้ำไปหมดจิตก็ตกต่ำลงไปเรื่อยละไม่ได้ จะละลูกละผัวก็ละไม่ได้จะลสะสัจสมบัติที่สะสมมาด้วยความเหนื่อยยากตัดใจไม่ได้จิตใจก็ตกต่าตกไปอยู่ในกิเลสเข้าไปในห้วงลุกเลิกเลยห้วงลุกก็คือเหวเลิกก็มันคืออะไรเไอด ใ, ใจเรานี่แหละจิตใต้สํานึกนึกอยู่เลยว่าของกูของกู เมียกูผัวกูวกรูกูร้านกูกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างเอาทุกสิ่งทุกอย่างโถมเท่าไหร่ก็ไม่พอก็คือความโลภแสวงหาทุกอย่างห่วงใ ย, ยไปทุกอย่างไม่เคยคิดถึงจิตใจตัวเองแต่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าใจรู้ใจตัวเอง แม้มันเนาะขัดใจเรามันไม่เคยตามใจเราเลยมันไม่เคยรู้ใจเลยไอ้อกตันอยู่คนแก่ก็บบนไปไอ้ไว้หนุ่มว้สาวว่าแต่งตัวดีมีเงินพกรถราอย่างดีไม่เคยเหลียวแลพ่อแม่ไม่เคยเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่ลองนึกถึงตัวเองที่ว่าเรานะอยู่ในประเด็นที่หลวงพ่อพูดหรือเปล่า มาเป็นพระก็ขโมยขโมยพุทธศาสนาก็คือมาอาศัยวัดมาอาศัยพระพุทธศาสนาะมาหลอกแต่งเนื้อแต่งตัวว่าเป็นพระมาหลอกตัวตอกตอนว่าตัวเองในรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาครั้ง ท, ทําท่าทําทางดูดีมากแต่ลองถามตัวเองลึกๆในใจ แม่ชี้แม่าพามลองถามตัวเองด้วยว่าเออเราเป็นอะไรกันแน่มันอยู่ในประเด็นไหมวันนี้เทศก็ต้องเมื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันมีวิบากเยอะไอ้สันดาลเน่เริ่มจะคุยจะขุดทำไมมึงไปคุยทองขุดเพชรกันเอามาเจรละในาแต่งตัวให้แวบวาวไปหมดที่มาบวชยังวาวแวบไปหมด บางคนยังทาแป้งใส่ขนตาเดินมาเพราะกลัวไม่สวยกลัวพราะคุณเจ้าจะไม่สนใจ <c oughs> ไม่ได้มีสติมีความรู้ตัวไม่ได้คุยหาเพชรแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ <c oughs> <c oughs> วันนี้พูดให้เปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ในจิตในใต้สำนึกของสันดานเราที่ว่าเป็นมนุษย์ เป็นผู้รักษาศีลอย่างดีเนี่ยให้ดูว่ากับพี่กับเลือกเนี่ยอะไรมันมันอยู่ตรงไหนเช้าๆอย่างนี้วันนี้ก็เมื่อยปวดเศร้ามองหน่อยหน้าดำไปนิดหนึ่งพอพูดไปในตรงประเด็น เ, ออเลยปวดเมื่อยไอเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่มันครอบงำทางกายทางจิต เลย ว, วันนี้เคลียคุยไอที่เป็นปวกก็รับสมบัติสะสมลูกหลานเป็นจอมปวกเะไรกันแเจ้าจอมไงเป็นนางพญาเลยออกลูกเยอะเหลือเกินโดใยใยใบนางพญาพญานางพญาใบฮะสมหมดแล้วเนี่ยแต่ยินเสียงเด็กร้องมั้งตื่นมามันร้องแล้วจะแดกแล้ว นี่ไม่ต่างกับมดนกหนูสัตว์แมลงองค์สมมาส ม, มุทัเจ้าจึงเห็นแล้วรู้แล้วเกิดความวัตตะคือการเวียนว่ายวัตตะแปลว่าสงสารสงสารโอโนโ้น้ะมนุษย์นี่ไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยเออทุกคนก็ป่วยอยู่แล้ว ไม่ป่วยจะเกิดมารับกรรมเละทุกคนเป็นโลกอยู่แล้วโลกจิตจิตได้สํานึกนึกแต่สิ่งที่มันจอมปอมเป็นคนแต่ทําไมมันทําเหมือนสัตว์เหมือนมแมลงไม่รักพ่อรักแม่พ่อแม่ทํามาหนึ่งชีวิตทําไมไม่เห็นแก่นแท้คุณงามความดีจะเก็บแต่ยอดแต่ดอกแต่ใบแต่ไม่รู้จักปลูกจากแสวงหา ไม่ลดน้ำพวนดินไม่รักษาบุปกาลีแต่ชอบไปรักษาบุปกรรมเอาระเช้าๆอย่างนี้ก็ขาดว่าโดนทิ่มแทงไปเยอะก็คงเจ็บแสบปวดร้อนกันไปพอสมควรแต่ว่าลูกพ่อไม่มีเจตนานที่จะด่าว่าใครตำหนิใครกระพูดด้วยสัตว์จะคือความจริง พอปวดร้าวเลยเถียงลุงพ่อก็ไม่ได้แมถ้าไม่มีจิตใจสำนึกก็โกรธค่อยๆทอนสมาธิ